เรื่องกล้องยานัตสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีใช้กล้องยานัตชนิดต่างๆทำด้วยทองคำทำด้วยเงินคนทั้งหลายตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนขรหัดผู้บริโภคกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภา ค, ครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กล้องยานัตชนิดต่างๆรูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกล้องยานัตทำด้วยกระดูกและทำด้วยเปลือกสังพระปิรินทวัชชะ